ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องราวของพระมโหสถเป็นอนว่าตอนที่แล้วมาจบลงตอนที่เทวดาผู้รักษาสวกระชัดของพระราชาเห็นว่าพระราชาหลงผิด เนื่องด้วยอาศัยเจ้าเท่าสารพัดพิษสี่คนคิดชอฉชนพุจริตหวังจะทำลายบัณฑิตคนดีคือมโหสดแลองแกล้งรักของเรื่องสี่อย่างเข้าไป้ัมราชาไปที่หลังก็ตั้งใจยันต้องการนามอมมาเป็นพญายาก็ล้มปู รู้สึกว่าจะสมน้ำหน้าที่ละมอนเทวีปัญญากมโหเขามโหสุดนี้เป็นคนมีปัญญาเอาเจ้าเท่าสรารพัดพิษที่มันไม่ได้คิดเห็น อ, อกเห็นใจชาวบ้านชาวเมืองเอาแต่ความรู้สึกตัวว่าตัวดีอยู่เสมอเอาไปจมหลงขี้เส้นหนึ่งคืน แล้วเอาเกาขึ้นมาโกนหัวเอาอิดถูเอาเข้าเปียกทาตัวเอานุ่นทาใส่หละเสื้อลำพันไปถวายพระราชาลูกหลานที่รักคนเราเลวอย่างนี้ยังมีอยู่ในโลกคนที่ไม่มีความรู้สึกสำนึกตัวเลวแสนเลวแต่ก็เข้าใจว่าคนดียังมีอยู่ กิจริยาอย่างนี้เขมรดาลูกหลานที่รักทุกคนจงอย่าสนใจแต่ถ้าว่าหลวงปู่ก็อยากจะแนะนําลูกหลานว่าจําไว้คําว่าจําเนี่ยจําเพื่อรักไว้การอิจฉาและเสีซึ่งกันและกันรู้สึกตัวว่าดีเนี่ยมันเป็นจริยาของคนเลวเพราะว่าคนใดก็ตามรู้สึกตัวดีเสมอพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนนั้นเป็นคนเลว ข้อนี้ก็อยากจะนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระโยธิหัวราชการที่เกา้าที่ทรงพระนามว่าปู่มิพนลนรยเดชวันหนึ่งหลวงปู่เข้าไปเฝ้าพระองค์ในพระที่นั่งดุสิตกิตตดาหโหฐานพระองค์ทรงจัดมาในตอนหนึ่ง ว่าเมื่อสมัยเด็ ก, ดกสมเด็จพระสีนครินทร์ทรงชมพระองค์หมายความว่าถ้ากันหนะที่ทําดีนะท่านทรงชมชมว่าเธอนี่ยทำดีแล้วนะแต่พร้อมกันนั่นก็ทรงชี้ประหัตว่าท่านดีแต่อย่าทนองตัวนะอย่าลืมตัวนะ ถ้าลืมตัวเมื่อไรเธอจะชั่วเหมือนนั้นพระบาทสมเด็จเ้ยู่หัวทรงตรัสว่าแกผมก็ไม่เคยลืมตัวคำว่าข้อนี้นะเขาบรรดาท่านหลายพูดรับฟังที่เกลียดพระบาทสมเด็จอยู่หันี้วยอยู่แก็ขอภัยด้วยคำว่าไม่ลืมตัวในวันนั้นก็สั่งสนทนากันในเรื่องของธรรมะจุดหนึ่ง พระองค์ทรงตัดว่าพระองค์ไม่รู้แต่ว่าหลวงปู่บอกว่าพระองค์รู้ดีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าการสั่งสนทนากันในวันนั้นพระองค์ทรงมีความเข้าใจอย่างยิ่งความเข้าใจอย่างยิ่งนี่บางทีหลวงปู่มีความรู้สึกว่าพระองค์เข้าใจดีกว่าหลวงปู่สิ และเมื่อความจริงมันเป็นอย่างนั้นหลวงโปก็ต้องตอบว่าพระองค์ทรงมีความเข้าใจดีแต่พระองค์ก็ทรงตรัดว่าท่านไม่เข้าใจรู้ว่ากันมาว่ากันไปในที่สุดก็ต้องลงคำว่าเข้าใจพระองค์จะในทรงตรัดว่าผมเองไม่เคยประมาทในชีวิตไม่เคยคิดว่าผมดีท่านนี้ข้ออะไร เพราะว่าสมเด็จพระศรีนครินทร์เคยเตือนไว้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆว่าอย่าลืมตัวนะอย่าทำงงตัวนะวันนี้นะ่ะทําดีฉันชมว่าดีแต่วันหลังอย่าไปทําความชัว่วนะทําความชั่วฉันลงโทษนี่ท่านปกครองลูกของท่านดีมากไม่ความสร้างมัธยแนะนําสั่งสอนไม่ให้ลืมตัว ถ้าตรงกับคติทั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่าอัตนาจโจทย์ตานังจงพยายามกล่าวโทษโจยความผิดของตัวเองเอาไว้ลูกหลานที่รักถ้าไดายามองดูตัวถ้าเราต้องการเป็นคนดีแล้วก็อย่าไปชมต้องดีหาตรงชั่วว่าอะไรบ้างที่บิดามันดาสอนมาคนดี ครูบาอาจารย์สอนหน้าก็ดีหรอตำหลับตำราที่ดีเขาสอนไว้เรายังบกค่องตรงไหนที่ไหนดีก็ให้ดีไปดีแล้วส่งความดีไว้เมืนก็เกลือส่งความเค็มเกลือจะอยู่ก็ส้มส้มเปรี้ยวเกลือก็เค็มเกลือไปอยู่ก็น้ำตาลน้ำตาลหวานเกลือก็เค็ม ข้อ น, นี้มีปรมมาชัน้นใดสิ่งใดที่ดีทรงความดีวไวแต่ว่าจุดไหนยังไม่ดีทำลายมันไปียไอความไม่ดีเอาความดีเกิดขึ้มาให้ได้คือนาริบายธรรมะไปยลกหลานลำคาญนี่ขยโยขยเยกมาตั้งสิบนาทีแล้วต่อไปก็มาเล่าเรื่องราวของท่านมโมโหสดบัณฑิต ตามภาษิตโบราณนี่กล่าวว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะว่าอย่างนั้นนะลูกหลานที่รักจําไม่ดีนะจ๊ะแต่อย่าไปเชื่เลยว่าคนดีก็ถูกคนแกล้งเหมือนกันถ้าว่าเอิญมีใครเขาแกล้งขึ้นมาก็ขอลูกหลานทั้งหลายนึกถึงโมโหสถว่าโมโหสถนี่เป็นคนดีจริงๆ นางอมรซึ่งเป็นพัญญาก็ตามก็จัดว่าเป็นคนดีเป็นพิเศษแต่ถึงกระนั้นก็ดียังมีคนใจเปรตไอเปรตที่มันเลวกว่าสตรีฉานเนื้อเลวกว่าสุริยกายมันมีกําลังใจคือความทรงตัวมันคือคล้ายกับสันนิโรกตัวเป็นคนใจเป็นเปรตที่เขเรียกว่ามนุษย์สเปโต มีความต้องการอย่างเดียวคือให้ฉันได้เรื่องการจะให้ใครน่้ไม่มีมาตอนนี้ท่านเขียนในหัวเรื่องว่าเป็นคติเตือนใจว่าคนดีตกน้าไม่ไหลตกฝ่ายใหม่ๆเมื่อพระเจ้าวิเทียรราชบรมกษัตริย์ํมบาทา้าวเถิดูคเทวดาู่ ว่าถ้าไม่ไปตามคนที่มีความรู้คืคอมโหสถปณิชย์มาแก้ปัญหาแล้วก็เราจะฟาดกระ บ, บานท่านโดยกระบองใหญ่อันนี้แล้วก็ค้อนใหญ่ค้อนเหล็กใหญ่ลุกเป็นไฟโชนต้องตีหัวแตกแหลกลานตายกันแน่ดังคราวนี้ตอนนี้พระเจ้าวิเทยาร่ายกใจเต้นตึกๆึก น่ากลัวไม่เต้นอย่างเดียวลูกหลานที่รักน่าก็จะรัวซะด้วยทหน่ามืดตาลายเป็นนั้นว่าที่เวลาเมื่อพระราชาถูกคุกคามเขาดังนั้นก็เกิดมีความรู้สึกกลัวมรณะภยัยไอ้คําว่ามรณะภัยนะีหมายภัยคือความตายมรณะถ้าเาตายกลัวที่เทวดาสู้อะไรกันได้เนะี่ยก็เล่นเอาค้อนแล้วก็มีไฟซะด้วย แกเองก็ไม่ร้อนไอ้คอนก็เป็นคอนเหล็กแหลงแรงก็้ามาน้ำหนักว่ากแถมันไฟลุกฟาดหวัวแป๊บเดียวตายเลยเล่นแบบนี้แล้วการที่เทวดาแกมาตีหวัวแตกตายใครจะไปจับเทวดาเข้าคุกเข้าตารา ง, า ง, างมันก็เป็นไปไม่ได้อีกเปน่ากลัวความตายยิ่งวันรุ่งขึ้นกินเรียกอาําม่าแตวซีมา อามาดี it, I. Wait, I yeah. ่นายเนีไม่ใช่บรโิตไอ้บรโอฮิตฤทธิ์ใหิ้งขีเรื่องขีกลาที่เราหิ้เนี่ยไม่ไอ้ี่คนปนหิ้งโรคหิ้งบรโิตโรคหิ้นั้นไม่เกี่ยวเรียกอามัดอามัดนี่คืออะไรแกข้าราชการผู้รับใช้เรียกมาสี่คนเรียกก็ส่งรับสั่งว่านี่เจ้าทั้งสี่ จงขึ้นรถไปคนละคันแล้วจะไม่เที่ยวหาหมโหสถบทชายของเราเท่าสี่ท่าสี่ได้ของตัวเมืองไปกันคนอาทิตย์เนยะในคนหาลูกชายของเราพบเมื่อพบแล้วรีบเชิญกลับมาโดยเร็วให้นั่งรถเกียรติยศอันสูงสุดนี่แนหะละรถที่ให้ไปนี่ไม่ใช่รถกระบะ เีวไม่ใช่รถสองแถวไม่ใช่รถสิบลอ้อไม่ใช่รถเกง๋งเป็นราชรถรถที่ประดับประดาสวยสดงามมีทองอัามมีเพชรประดับเป็นรถเกติยศใหญ่ให้ไปเรียกบอกให้รีบไปนะยะช้านะแต่แกคืนช้าฉันตายแน่ถ้าแกไม่อยากให้ชั้นตายแกรีไปเร็วๆ อำนาจสี่คนก็ตกใจว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยไม่เห็นมีโรคภัยใครเจ็บที่อยู่ก็จะมาตายเฉยๆแต่ขั้นเตะตัดฉันก็ไปถามทนทนถา ม, ถ, า ม, ถ, ามถึงข้อความชัดเห็นพระมหากษัตย์หน้านิว่วขี้หมดเร่งรัดจะอยู่กันได้ก็ต้องวิ่งไปต้องไปกันไฟมาสี่นายเนี่ยมาได้รับพระพระบรมราชอง์การดังนั้น เรี่งนี้พากันค้นหามโหสถในที่ต่างๆความจริงค้นหามโหสถน่าก็จะคนยากแต่ว่าเขารู้จักกับคนยมยานักอำมาตยคนหนึ่งไปทางด้านทางทิศ ท, ทักษิณไปพอเหมาะพอดีเพราะว่านักปราชญ์คนนี้กำลังไปเป็นนายเช่าหมอดนั่น พบโอโหสดที่บ้านทักษินะเรียกว่าบ้านทักษิ น, นะยาวมาจากาำหมายกว่าทักษิ น, นะหรือทักษินทักษินยืมเบื้องขวาทางทิศใต้เองมหมายกว่าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกกลางแขนออกโอุดร อ, อยู่แขนซ้ายทักษินยู่แขนขวาโอโหสดกำลังเดิน กำลังเดินไปขนดินเหนียวมาพา่อใหญเสร็จจะมาทำหม้อเห็นตัวเนื้อตัวเละเทอะเปื่อนไปไ ด, ดินเหนียวดินเหนียวมั่งไหม่เหนียวมั่งนั่งบนต่างปั้นดินเหนียวทําเป็นปั้นปันแล้วก็บริโภคข้าวไม่มีกลับกินข้าวจริงๆข้าวร้อยเปอร์เซนต์ถ้ามาข้าวร้อยเปอร์เซ็นี์มีข้าวแท้ๆไม่มีกลับ กินกันแบบสบายๆเราจะกินที่อย่างกินเพื่อส่งความเป็นอยู่ ล, ลูกหลานที่รักย่าไปจู้จี้เรื่องกับข้าวอย่าจะกินข้าวหลอกบ้านเสียข้าวบริการพิเศษราคาก็แพงไอ้ดีก็ไม่มีเศษวิโซอะไรไม่ก็มีรถตามน้องกันเรากินข้าวที่บ้านของเราเนี่ยดีที่สุด ชอบเปรี้ยวก็กินสม้มชอบเค็มก็กินเกลือหรือกินน้ำปลาชอบหวานน้ำตาลไทยมันก็ไอแขกไม่ไปต้องไปดูเขาร้องรําทําเพลงมีดนตรีกว่าจะกินข้าวได้แตะทีขับรถออกไปนอกบ้านไอเงินค่าน้านมันค่าสิดหลองเครื่องจนมันก็มากกว่าราคาข้าวแล้แถมไปกินข้าวราคาแพงโดยใช่เหตุอย่างนี้เขาเรียกคนระมรัด ไม่รู้จักค่าของเงินเกินก็จะหามันได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์นะมันหายากแล้วเงินเดือนเงินดาวเงินเดือนเงินบริการที่ได้มามากๆไม่รู้จักพอก็เพราะว่าไม่รู้จักในการใช้จ่ายข้าวที่บ้านกินเข้าไปเวลาหนึ่งไม่เกินสิบบาทไปกินข้าวตามสถานบริการเวลาหนึ่งก็เกินพันสองพันน่ทั้งมื่น นี่ถ้ากินข้าวที่บ้านเองเงินที่ได้มาเพีนเดือนละพันสองพันมันก็เหลือใช้เหลือสอยที่ว่าไม่พอกินไม่พอใช้ก็เพราะไม่รู้จักกินม่รู้จักใช้นั่นเองเป็นนั้นว่ามโหสถกินข้าวไม่มีกลับไ่นเะห็นไหมเขากินได้ถ้าทางานในบ้านช่างหมอทําแบบสบายๆใจสบายใจเป็นสุข คนมีปัญญาเนี่ยเขาไม่มีทุกข์หรอกเขาถือว่ากินเพื่ออยู่มองว่าตนเห็นอาหมัดมาก็รู้ว่าจะมาหาตนยิ่งได้ำดำเนีว่าเอใะนายนี่ยพนี้นี่มันจะมาดีหรือมาลายกันแน่นะนึกในใจว่าเอเจ้าผู้อาหมัดจะมาหาเราจะมาดีหรือมาลาย เอาจะมาร้ายหรือมาดีเมื่อเจอหน้าเขาแล้วมันต้องสู้กันเท่าเขามาร้ายเราตั้งใจจะพูดดีเราจะทําดีแต่ดีไม่ได้เราก็จะร้ายตอบมันดีไม่ไหวแล้วต้องร้ายถ้าร้ายก็ต้องร้ายกันทงที่สุดปรับเดียวให้ถึงก็สิ้นลมปราณไปเลยขะหมายเข้ามาถึงตัวทมท่านมโหสถแล้ว ทิ่นี่ถามว่าท่านวมโหสดแล้วนะเพราะข้ามาถึงท่านโมโหสดจนเหลียวไปแล้วก็ยิ้มมานิดหนึ่งแสดงว่าจากันได้ยื่นถามว่านี่ธนอาหมัดาหมัดที่หมายตาแหน่งใหญ่นะทนมาหมัท่านจะมาจับเรารู้จะมารับเราเพราะถามจริง ที่มากันนี่มากันหลายคนจะมารับหรือจะมาจับเอาราชรถมาทำไมมันดามาท่างหลายท่านนั้นก็เรียนมาบอกเราและท่านท่านมหาบัณฑิตไอาการที่มาเนี่ยไม่ได้มาจับพ ร, พระราชามีพระพระบระบมราชาองค์การให้มารับคือเชิญท่ากลับเข้าสู่พระราชนิเวท เขาเวลานี้กําลังคิดถึงมากนั่งบนนี่ได้ไม่ได้มาคนเดียวแนละ้วไม่ได้มาสายเดียวนะไปได้วยกันสี่สายเนะี่ยใช้เอาแบบเอาไปนาวตายหน่านิวคิ้วขมหมดถึงกับตรงทรงตัดว่าถ้าพวกแกไม่สามารถจะพบมโหสถได้ไม่สามารถจะนํามันได้ห้ามกลับเข้ามาในเมืองนี่ถ้ามโหสถต้องไปกับฉั้นนะถ้าไม่ไปน่ากลัว อันอย่างเร็วที่สุดก็ต้องถูกในประเทศหรือไม่ฉะนั้นวันนี้นะหัวขาดจริงข้างหนึ่งไม่ใช่พระราชาขาดหัวฉั้น่ะขาดหรือไม่จะขาดสองข้ามแต่ขาดสองข้างขาดหัวฉันด้วยหัวพระราชาด้วยเนี่ยฉันบอกหัวขาดข้างหนึ่งก็คือหัวฉั้น่ะไม่ใช่หัวพระราชาแเราหัวสดุดท้าย ก็รู้สึกสลดใจ ว, ว่าเวลานี้พระราชาคงมีความเข้าใจาแต่ที่สลดใจก็เพราะว่าเจ้าอํามัดเจ้าเท่าสาราพัดพิษสี่คนมันเจ้าเจ้าเล่ทำให้ราคะราชาไม่สมบายใจก็สดแต่ว่าก่อนที่จะปรับไปก็าปปาถามก่อนว่าพระองค์มีพระบรมราชโองการให้กลับให้กลับไปทำไม เจ้าเราเข้าตารางหรือว่าเจ้าเราเ ข, าข้าไปฆ่าท่านมาจินนี่ตอว่าท่านมัณฑิเมื่อเข้าตารางก็ไม่เข้านะ่ะฆ่าก็ไม่ฆ่าเข้าไปเจ้ า, าจอยากเล่าให้ฟังตามที่มีพระบรมราชอ ง, งค์การใช้เข้าไปเจ้ามาเชิญคือการที่มาเชิญครั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อคืนวันหนึ่งเทวาดาผู้สิงอยู่ในสเสวกิจชัด ได้ถามปัญหาพระราชาสี่ข้อพระราชาไม่สามารถจะแก้ได้ก็ทัววดให้ไปถามมณฑิตทั้งสี่ในวันลงขึ้นมณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นก็แก้ไม่ได้จึงได้ทรงพระครุณลาโปิดเกล่าวให้ข้าพเจ้าไปเชิญท่ากลับไปเพราะเหตุนี้และขอให้กลับไปดเร็วด้วยนะะเวลานี้ไม่ไหวแล้ว ตูดร้อนเป็นไฟนั่งไม่ลงเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเจอหน้าใครก็น่าหนิวคิ้วขมวดไม้้าทรงคุค้มมาไทยมากโอ้โหสดได้ฟังแล้วก็รู้สึกยิ้มในใจดีใจที่ได้กลับบ้านเดิมแล้วก็ต้องการจะพบนางอมกบไปโตผัวหนุ่มเมียสาวในโรงงานที่รักก็ต้องคิดถึงกัน ทั้งผวแก่เมียแก่เขาก็คิดถึงกันคนที่รักกันอยู่เขาก็มีความห่วงใหญต่จริงเข้าเวลาในช่างมอจากของบ้านแล้วขึ้นนั่งบนรถทั้งทั้งที่ตัวเปื้อนดินเหนียวข้สูบมนครเม่ตอนนี้เหมือนก็ตัวกาตุรถสวยงามอารามประดับไปได้วยทองคำได้แก้แมันนี แต่ว่าคนที่นั่งบนรถนี้เปื้อนตัวเปื่อนเป ล, อเปลือกพื้นดินเหนียวดินเหนียวมั่งไม่เหลียวมั่งนะก็รู้ทางานด้วยดินนี่นะเข้าไปสู่พระก่นกบรรดาหมายเข้าไปกราบทูลกรบราชาาเมื่อไปถึงแล้วนะเมื่อเข้าไปถึงในเมืองแล้วหมายก็เข้าไปกราบทูลพระเจ้าวิทยาราตว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้พามาโหสถเข้ามาเฝ้าแล้วพระพุทธเจ้าข่ะ เมืเจ้า ว, วิเทระสมีพระราชบัญชาว่าเจ้าจงไปพามาโหเาจ้าไปพบพระโหสถที่ไหนบรรดามาที่ไปก็กล่าบทลว่าข้าพระพุทธเจา้าไปพบโมโหสถกําลังทําม้อขายเลี้ยงขี่อยู่ที่บ้านในช่างหมอตําบลทักแกทักสิงยวะมัเชคามพอข้าพระพุทธเจ้าไปพบ บอกว่าพระองค์รับสั่งให้เขาเฝ้าทั้งทั้งนี้ตัวเพื่อนดินเปิดปลาอยู่แบบนั้นเธอก็รีบไม่ยอมอาบน้ำอาบท่าเนื้อเติบเนื้อตัวเพื่อนไปใน ด, ดินท่านดินเหนียวและดินไม่เหนียวขึ้นรถมา ก, กับข้าพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวไปเจ้าค่ะเพราะว่ามีความห่วงพระองค์มากสแสดงใี้มีความจงรักภักดีอย่างที่สุด จะมีมนมุษย์คนใดที่มีความหวังดีกับเราองค์ยิ่งไปกว่ามโหสถฆ่าพระพุทธเจ้าที่ก็ไม่มีอรรมะที่เข้ามาเชิดเล่นเหมือนกันหมาลิ้นทองคํานะคนอย่างนี้พูดเป็นเงินเป็นทองดีไม่ดีพระราชาคาักแป๊บก็มาหมืน่นสองหมืน่นสบายดีกว่ากันเดียวสิพระราชาไม่ได้ทรงสนันดับแล้วก็สรงระอบิดว่า หากมหโมโหสดจะเป็นศัตรูกับเราเธอก็คงไม่ทำตนเธอก็ต้องทำตนเป็นคนยิ่งใหญ่เห็นไหมการไปเรียกมานี้ต้องไม่มาถ้าจะเป็นขบกันนี่แจ่เป็นคนใหญ่คนโตจริงๆเมื่ออะไร ร, ะราชาสั่งปับรีบมาเลยมันใช้ไม่ได้ในพระองค์คิดนะเ เธอก็ต้องทำตนเป็นคนใหญ่คนโตไปหาสมัครพรรคพวกหวางจริตรอออำนาจเราหรือไม่ยังยึดอำนาจคงไม่ทำตนที่อย่างเป็นอยู่ในปัจจุบันคือหมายความว่าออกไปจากบ้านแล้วแทนที่จะไปสะสมรวบรวมสมัครพรรคพวกเขามายึดอำนาจกลับไปเป็นลูกจ้างในทางหมออย่างนั้น เราเชื่อนแน่แล้วว่าโมโหสุดไม่ได้เป็นศัตรูกับเราพรานทรงลำดีดังนั้นแล้วเจียงเล่ยทรงรับสั่งเรา ม, มาตรกนุนันว่าเจ้าจงกลับไปบอกโมโหสุดปวดข้อเราให้กลับไปบ้านแล้ก็ไปอาบน้ำมาใหดีกิุระที่พ่อต้องการจะทราบนี้ยังพอมีเวลา คอยพะะ่อโมโหสถไปอาบน้ำอาบท่าแต่งกายตามศักดิ์ศรีที่เรามอบให้เสร็จแล้วจึงมาหาเราแต่ก็อย่าลืมเตือนนะกลับ ม, มาหาเร็วๆหน่อยนะดีไม่ดีมีเมียสาวแล้วก็สวยจะไปจูจีชูจีก็นายเกินไปมันจะไม่ทันใจฉันแต่ฉันให้โอกาสให้ลูกชายของฉันไปอาบน้ําเสียก่อนแต่งตัวให้สวย ไอ้เครื่องยศถาบรรดาศักเครื่มาดับมีทลายวันนี้ว่ามาให้เต็มที่ก็ไม่เห็นลูกมโหสถมาหลายวันคิดถึงเต็มที่ความจริงพระราชานท่านก็ไม่เร็วแน่เหมือนกันคาว่าฝกดีเกศศีเกตัวโพชัวแย่เหมือนกันเมื่อมาได้รับพระราชบัญชาอย่างนั้นแล้วยังกลับไปบอกมโหสถตามที่ทรงสั่งมา เมื่อมโมโหสเกลับไปบ้านไปพบนางมอนกำลังคอยต้อนรับอยู่ก็ได้นางยุน้เล่าความเป็นไปของตนให้นางข้อตนอ๋อไม่ใช่มโมโหสดสิน ะ, มะโมโหสถก็เล่าความที่ตัวเองไปเป็นลูกจา้างคนนายช่างมอญหลอกกันเลอะเทอะเล่าให้ฟังทุกประการแล้วก็ขอตัวไปอาบน้ำ แต่งกายประดับเครื่องยศเต็มที่ตามตำแหน่งข็ตนเสร็จแล้วก็รีบกระโดเมาเฝ้าราชาณาจักไว้เบิงข่มนะที่นนั่งอยู่น่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งฝ่ายพระเจ้าวิเทียรัีมิี่ทรงตัดไปสันถ่ายกับมโหสถพอสมควรและจึงจัดเพื่อจะทดลองมโหสถ นะ่มีอีกนะมี่ใจดีแล้วเทวันได้เขาบอกมาโ ห, หสดแก้ปัญหาได้ก็รู้มาโหสดมาคิดเออหมดเรื่องแาทีกูไม่ตายในท่านี้แค่ยังมีแรงมีปัญญาต่อสู้อยากจะลองใจมาสดทนี่กล่าวว่านี่คนบางพวกไม่ทำความชั่ว กเพราะเห็นว <necessary. S 2> ่าตนเองสมบูรณ์พราะด้วยอิสริยยศบางพวกไม่ทําความชั่วเพราะเกรงเกรงว่าตนเองจะถูกเตะเตียนแม่มีปัญหานะตอนนี้มีปัญญาใจดีแราวนี่ที่ว่าไม่ตายยังมีปัญญาเนี่ยในบางพวกพวก็เกรงเจ้าหน่ายไม่ทําชั่วก็เกรงเจ้าหน่ายที่ให้ยศตนจะถูกเตะเตียนไปด้วย แต่เจ้าเป็นผู้มีความสา ม, มารถมีความคิด ต, วตรวจปรุงถ้าเจ้าจะหวังครองราชจะสมบัติกนได้เหตุใดเจ้าจึงไม่เชียงราชจะสมบัติของเราแน่ทํา ไ, ไมเอ่ออาละเขาบอกเหตุใดจึงไม่เชี่ยไม่เชียงราชจะสมบัติของเรา ไ, ไม่ทําความเดือดร้อนให้แกเราไม่มหปัญหาย้อนสนิทตีไหม พอย้อนสักหน่อยนะปัญหานี้น่าฟังท่านถามว่าบางคนบางพวกไม่ทําความชั่วก็เห็นว่าตนเองเนี่ยมีความสมบูรณ์ได้ยศได้สักบางพวกไม่ทําความชั่ ว, วก็เกรงตนเองจะถูกตีจะถูกตีเตียนนะจะไม่ดีนะแล้วก็เพราะเกรงว่าเจ้านายที่ให้ยศตนจะถูกตีเตียนไปด้วย แต่ว่าเจ้าเป็นคนฉลาดที่มีความสามารถพิเศษมีความคิดปรอดโปรถ้าเจ้าหวังจะครองราชสมบัติก็ได้เหตุใดเจ้าจึงไม่คิดจะ บ, บททรยศหวังจะเชี่ยราชสมบัติจากเราทําไมแล้วก็ไม่ทําความเดือดร้อนให้กับเราเจ้ามีความคิดเห็นเป็นรายการใดเจ้าได้ทําตนแบบนี้อรบันดานลูกหลานที่รัก เรียว่ากันไปมันก็หมดเวลาเสีแล้วนี่ต้อง ข, ขอลา ก, ก่อนถ้าลูกหลานยังไม่ยังไม่เบื่อในการฟังฟังวดหน้าต่อไปสำหรับนี้ขอลาแล้วขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดรัดาลลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี